ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะเรื่องมิติใหม่แห่งความรักโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ย0สิบธันวาคม2542นาณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้น้ำบัดนี้ค่ะ สื่อเร่อนี้ของชาวโศกจะเป็นอะไรอ่ะเป็นหลักการเป็นเหมือนกับนโยบายที่พ่อท่านกําหนดกําหนดเอาไว้หลายๆอย่างที่ชาวโศกเนี่ยควรจะนําไปอ่านทบทวนแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติมีหลายอย่างที่ท่านแก้ไขอย่างเช่นความรักสิมิติเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงหลายอันเลยนะหลายมิติเลย อย่างแค่อันที่สองเนี่ยพันธุนิยมนี่กลายเป็นแต่เดิมเนี่ยมันเป็นพันธะนิยมใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนไปละแล้วท่านเสริมอะไรอะ่ะเนี่ยการมนิยมใช่ไหมมิติที่หนึ่งหรือเมถุนนิยม เ, เพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกละมิติสองพันธุนิยมนี่หรือปิตุปุตตะนิยมแต่ก่อนนี้ไม่เราไม่ไม่มีอันนี้ แต่เดี๋ยวนี้ทนเพิ่มเข้าไปอีกอันที่สามีญาตินิยมหรือโคดแหมโคดนิยมเลยฟังแนละ้วรู้สึกรุนแรงจังโคดนิยมออลองลองอ่านให้ฟังดูสัก1ิบข้อนะข้อที่สีนี่สังคมนิยมหรือสหายนิยม เ, เคยได้ยินอย่างสหายนิยมอันมาก็ เพ่งๆอันนี้นะที่เห็นพ่อท่านใช้ศัพท์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ชาตินิยมหรือรัฐนนิยมนะข้อที่6นี่สากลนิยมหรือจักรวานิยมนะแต่ก่อนมีแต่คำว่าสากลนิยมเดี๋ยวนี้พ่อท่านบอกว่าหรือจักรวานิยมมันเป็นความขยายเพิ่มที่ชัดเจนขึ้นนะถ้าถ้าพวกเรารู้สับบาลีมั่งรู้อะไรมั่งนี่มันจะ กว้างขึ้นเออไมจริงๆน่าจะพูดกันสักหน่อย น, นะเอาละไหนๆก็เปิดมาหน้าความรักสิมิตินี่ละเอาเราเราเราลองไล่ใหม่ดีกว่านันะตั้งแต่มิติที่หนึ่งการมานิยมจริงๆแต่เดิมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ั้ยการมานิยมเนี่ยก็หมายถึงเรื่องผู้ชายผู้หญิงเรื่องที่ยังยุ่งเกี่ยวนะในเรื่องของเนี่ยแหละเนื้อนังมังสา เรื่องของเนี่ยพอท่านใช้ว่าหรือเมถุนนิยมเรื่องที่ยังมีความยินดีพอใจในเรื่องของคนคู่แม้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ยังมีกามยังมีเมถุนอยู่แต่เมถุนอย่างของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่เหมือนทั่วทวไปละนี่ น, นีนี่คือความแตกต่างนะจะพูดให้เห็นถึงความแตกต่างบ้างคือทั่วๆไปเนี่ยจะ มีอะไรอ่ะการยุ่งเกี่ยวในเรื่องผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะเป็นกามในลักษณะที่มันเป็นกิเลสมากนะเป็นเรื่องที่ยิ่งยุ่งเกี่ยวก็ยิ่งกิเลสเพิ่มยิ่งกิเลสนา้ายิ่งกิเลสจัดจ้านขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่มันจะต่างกันถ้าสมมติว่าเรามีการถือศีลเรามีการปฏิจจบัติธรรมขึ้นเนี่ยจะไม่ไม่เป็นลักษณะนั้นแหละแม้แต่ผู้ที่ มาถือศีลห้าแต่ว่ายังมีเป็นสามีหรือว่าเป็นภรรยาอย่างเงี้ยนะแม้ว่าเขายังจะมีกามอยู่ยังจะมีเรื่องของเมถุนอยู่แต่ไม่ ไ, มได้ไม่ได้นิยมไม่ได้มีจิตที่ไปนิยมกามหรือว่าไม่ได้มีจิตที่ไปนิยมเมถุนจิตพวกนี้นี่มันเบาบางแล้วมันลดมันลดละลงมาแล้วแม้เป็นฐานปัโสดาบันอย่างเช่น อนางอะไรนะนางวิสาขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระโสะดาบันก็มีลูกเต้ามีอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องเยอะต้องแยะจําไม่ได้แล้วตั้งกี่คนนะใครจาได้ลูกยี่สิบถูกก็แบบนะย <c oughs> ี่สิบคนเออน้าก็คงประมาณเนี้ยนะ <c oughs> สมองก็จําไม่ได้แล้วแต่กิดบ้ารู้สึกว่าจะประมาณเนี้ยลูกกันยี่สิบคิดดูเอาก็แล้วกัน แสดงว่ากัเนี่ยก็ยังมีความยุ่งเกี่ยวแต่จริงๆแล้วถ้าเข้าสู่ฐานพระโสดาบันเนี่ยมันไม่ได้มีจิตที่จะไปเป็นกิเลส ท, ที่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอย่างนั้นอย่างนี้แบบว่าเป็นคือคืออาตมาพูดให้ฟังง่ายๆเอ า, อางี้ถ้าใครเนี่ยที่มีจิตเป็นกามมารคกิเลสตัณหาพวกนี้นะถ้ายุ่งเกี่ยวผู้ชายผู้หญิงในลักษณะนี้คนนั้นเนี่ย คู่เดียวหรือคนเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกคุณเข้าใจไหมถ้ามันไปยุ่งเกี่ยวลักษณะเป็นกิเลสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกิเลสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยคุณยุ่งคนคนเดียวเนี่ยคุณซ้ําซ่าคุณจําเจคุณจะเบื่อหน่ายคุณอยากที่จะเบื่อหน่ายนี่เบื่อแบบโลกีนะเบื่อหน่ายแบบโลกีคือในที่สุดเนี่ยมันจะไม่อิ่มมันจะไม่พอมันอยากที่จะพิสดารมันอยากจะแปลกใหม่มันอยากที่จะ แล้วอยากหมายคนนั้นบัางคนนี้บั่งคนโน้นบ้างถ้าลักษณะที่เป็นกิเลสเนี่ยเปรียบกับเรื่องอาหารก็ได้อย่างถ้าคุณกินอาหารไหนนะลักษณะที่คุณกินแบบกิเลสคุณติดอร่อยคุณชอบอร่อยแบบกิเลสเนี่ยนะเวลามันกินเนี่ยมันจะโอ้โหอิน อ, อินเข้าไปมันจะอะไรนะมันจะใส่อารมณ์มันจะใส่ใสความรู้สึกแม้คุณกินเนี่ยคุณจะโอ้ยอริดอร่อยอ แล้วก็อะไรอะอารมณ์เนี่ยมันเคริบเคล้มมันปล่อยไปตามคือมันยิ่งยิ่งทําให้อะไความติดความชอบความอร่อยนั้นน่ะมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นสภาพนั้นเพราะฉั้าคนนั้นเน่ะยิ่งกินเท่าไหร่ก็หยิ่งอยากกินไอที่มันอร่อยยิ่งกว่านี้อ่าเนี่ยมันอยากจะกินอร่อยยิ่งกว่านี้ไอ้ที่มันแปลกมันใหม่ยิ่งกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันต่างจากคราวนี้คุณดูนะ พอคุณมาถือศีลคุณมาปฏิบัติธรรมคุณเริ่มรู้แล้วว่าอกิเลสกรรมนี่มันไม่ดีอจริงๆเนะี่ยคุณรู้แหลนะนะว่ามันอะไรอะ่ะมันสโปรกมันเป็นเรื่องที่ทรมานตัวเองมันเป็นเรื่องสูญเสียพ่อท่านบอกสูญเสียเงินทองสูญเสียเวลาสูญเสียสุขภาพสูญเสียอะไรสูญเสียอนาคต นึกอะไรไม่ออกสูญเสียอะไรสูญเสียจิตที่ดีอ๋อเมันแน่นอนอยู่แล้วอุตมาพูดสูญเสียอนาคตเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดมีอย่างนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรับรองในที่สุดมันไม่เป็นคู่มันก็ต้องไปหลายคู่แหะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะต่างนะคราวนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงเรายังมีกิเลสอยู่เรายังมีความอร่อยอยู่ แต่ตอ น, นี้ไอตอนที่มันไปกินอร่อยสมมติอาหารนะคุณไปกินอาหารคุณรู้ว่าอร่อยเพราะคุณปัตรบัตรทำมาแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเอ้ยนี่เรายัางอร่อยอยู่นะนี่เรายังชอบอยู่นะแต่มันจะมีสติมันจะมีจิตที่คอยเตือนว่าว่าเอ้ถ้าเราขืนอร่อยกว่านี้นะหรือเรายิ่งกินมากไปนะเรายิ่งติดนะแล้วมันจะยิ่งสร้างทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความลําบากตามลามตามมาอีกนะ เนี่ยยมีสติพวกนี้คอยเตือนคอยบอกคอยแนะตัวเราเองเนี่ยแหละหรือเราเรียกว่าญาณหรือเราเรียกว่าปัญญาที่จะทำให้เราก็เลยรู้สึกเราไม่กล้าที่จะปล่อยจิตกับมันมากเพะะั้นที่คุณยังมีกิเลสอยู่แต่คุณจะมันเหมือนกับมีสติมีความรู้ตัวที่คอยจะดึงดึงคอยจะยังยังไว้มันจะไม่ปล่อยอารมณ์ไม่ปล่อยใจไปกับสิ่ง น, นั้นเนี่ยมากนักมันรู้อยู่ ว่าเอ้ยเรายังมีกิเลสอยู่แต่มันจะมีตัวตัวพวกเนี้ยคอยคอยเตือนคอยดึงเราไว้คอยดึงเราไว้ว่าอันนี้แหละที่มันก็เลยทาให้กิเลสคุณก็เลยไม่หนาขึ้นไม่หนาขึ้นเพราะมัมีตัวเนี้ยคอยดึงคอยลังแล้วก็ในชีวิตประจาวันคนนั้นด้วยคนนั้นก็จะพยายามฝึกรดละอย่างเช่นแทนที่เราจะเออนี้เราชอบเรายิ่งต้องกินคนนี้ก็พยายาม เอ้ย <Hey, S 2> บางทีเอ้ hey, ยิ่งชอบยิ่งกินก็ยิ่งแย่เพราะฉะนั้นก็แบบว่าเอ้ hey, บางครั้งก็วันนี้อย่าไปกินมันเลยไอ้นี่ยเนี่ ย, เ, ยเรากําลังหัดแล้วก็ฝึกปฏิบัติที่จะลดลงบ้างอะไรลงบ้างอย่างเงี้ยนะอาจารย์บาจึงบอกว่าถ้าเข้าสู่กระแสของของพระโสดาบันนะแม้จะยุ่งเกี่ยวในเรื่องเมถุนนี่อยู่ก็ตามแต่จิตนี่ไม่เหมือนกับบุตุชน ไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปที่ยุ่งเกี่ยวกันเหมือนกับเอา ง, ง่ายๆถ้าเป็นสัตว์โดยทั่วๆไปเนี่ยยุ่งเกี่ยวในเรื่องพวกนี้มันไม่คิดอะไรหรอกมันก็คิดแต่จะเสพอะไรไปตามเรื่องแต่ถ้าเป็นมนุษย์ขึ้นมานะมนุษย์คือหมายถึงผู้ที่มีจิตใจดีขึ้นมาแล้วมีจิตใจประเสริฐขึ้นมาแต่ยังมีกิเลสอยู่ถ้าเกิดไปยุ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะมีจิตสํานึกอยู่ หรือบางทีเราเรียกว่าฮิริแล้วโอตาปะทําให้ละอายถ้าจะเกิดยังจะทําเรื่องพวกนี้อยู่มันจะซ่อนๆเล้นๆมันจะไม่กล้ามาทําเปิดเผยอย่าว่าแต่ถึงไอเมทุนนี่เลยแค่บางทีให้คุณมาแต่งตัวอะไรอะ่ะแบบเปิดบ้างอะไรอะ่ะแวกตรงนั้นผ่าตรงนี้แค่แค่ให้แต่งตัวนะคุณยังโอ้โ ห, หน่าอาย ม, มันไม่กล้าไปแต่งแต่ถามว่าคุณยังมีกิเลสไหมยังมีกิเลสอยู่วอะ <c oughs> ใช่มันยังมีกิเลสอยู่บางทีตัวเองไม่กล้าแต่งนะแต่คนอื่นแต่งรู้สึกออชอบดูเหมือนกันนะ <c oughs> บางคนนะมีอย่างนั้นก็มีแต่ถ้ามันจิตมันมีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นคนแต่งอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าน่าละอายเราจะไม่รู้สึกเลยว่าโอ้แหมมันน่ามองมันน่าดูเราจะไม่ไปรู้สึกอย่างนั้นแต่บอกแล้วว่าบางทีกิเลสเราก็ยังมีอยู่ไม่น้อยเลย วันนั้นบางทีเราไม่ทําก็จริงนะแต่คนอื่นทําเรารู้สึกว่าแอบอาหารตาอาหารตาบางคนยังจะมีอย่างกันอยู่อันนี้เนี่ยพูดพูดให้ฟังในแง่ที่เรียกว่าบางคนมาสงสัยเหมือนกันบางคนมาถามบอกเอา้าเนี่ยดูซิความรักแค่มิติที่หนึ่งเองแล้วอย่างเงี้ยดูซิพระโสดาบันเนี่ยเป็นอาริยะบุคคลแล้วอะ่ะแล้วทายยําไมยังอยู่แค่มิติที่หนึ่งอะ อาจารยบอกว่าใช่พฤติกรรมมันดูแล้วมั น, มนคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะว่าสภาพของการมาพฤติกา ร, รปฏิบัติมามันต่างกันวนัติที่หนึ่งอันเนี้ยจริงๆแนละ้วพ่อท่านเนี่ยหมายเน้นไปในพวกที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะเพราะฉะนั้นจะติดเรื่องของกามหรือว่าเรื่องของเมถุนเนี่ยแล้วคําว่า น, นิยมก็หมายถึงว่ามักจะทําอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเสมอเสมอ นะคําว่านิยมเนี่ยคือคื อ, ค, อคือชอบปรารถนาอยู่เสมอเสมอต่างจากจิตของผู้ที่เข้าสู่กระแสแล้วถ้าเป็นจิตของผู้ที่เข้าสู่กระแสแล้วไม่บ่อยไม่อยากเสมอเสมออะจะไม่มีตัวแบบอย่างนั้นนะบางทีเผลอก็บางคนอาจจะแบบอะไรอ่ะตามที่มันจําเป็นหรือว่า อะไรอ่ะก็ไปแต่งงานแต่งการแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นอะไรเงี้ยเบางที้ก็เอา้าก็ทําไปตามอะไรอ่ะเหมือนกับภาระเหมือนกับหน้าที่เหมือนกับอะไรไปโดยที่ไม่ใช่ว่าใจอยู่เองยังจะไปอยากจริงๆรด้วยซ้ำไปนะอันนี้คือความแตกต่างพยายามพูดความแตกต่างให้ฟังนะอ่า น, นี่นี่เป็นมิติที่หนึ่งส่วนมิติที่สองดูนะพอท่านเปลี่ยนเป็นพันธุนิยมหรือ ปิตุอุตตานิยมพันธุแต่ก่อนนี่ใช้พันธะพันธะนี่มันจะเป็นเชิงความผูกพันใช่ไหมถ้าพันธุนี่มันเป็นลักษณะแบบพันธุกรรมเนี่ยคือเป็นแบบเผาพันธุ์เป็นแบบเออเป็นเชือกสายที่สืบต่อกันวันนี้ยังนิยมแบบแหมเชือกสายนิยมความสืบต่อมีทายาตมีอะไรอย่างนี้นะเป็นมิติที่สองแต่พอท่านตอนนี้ใช้เพิ่มขึ้นมาว่า หรือเนี่ยปิดตูปุตตะก็คืออะไร เ, เป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกนะยัง น, นิยมอันนี้คนติดกันมากพวกเราหลายคนเลยที่ยังปล่อยจิตให้พ้นมิติที่สองไม่ได้คือยังมีความยิ่งบางคนเนี่ยดูหนังบ่อยๆดูหนังโอ้ โ, อโอ้พ่นจังเลยแมพ่ออยู่แม่อยู่ ลูกอยู่ยเล่นกันแหนรู้สึกว่ามันสุขใจมันแหน่พูดไม่ถูกเลยบางคนนอะรู้สึกแหมอยากไปอย่างเงี้ยอยากไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังมันยังหลงแล้วมันจะติดอยู่อันเนี้ยมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่ติดมิติที่สองอันเนี้ยนะแล้วยังมีจิตที่โน้มน้าวนิยมอันนี้มากๆไม่พ้นความเป็นคู่ในที่สุดในที่สุดก็จะต้องอย่างผู้หญิงก็ คอยรอเจ้าชายขี่ม้าขาวอย่างผู้ชายก็รอแหละรอนางฟ้าเมื่อไหร่จะลอยมาจากฟ้าทีอยากจะเจออยากจะเจอแล้วก็อยากจะมีคู่แล้วก็เพื่อที่จะได้เออเดี๋ยวก็มีครอบครัวมีเชื้อสายสืบต่ออันเนี้ยถ้าใครยังมีตัวฝังพวกนี้อยู่ถ่ายถอนไม่ค่อยได้เนี่ย ในที่สุดก็ต้องไปมีคู่ครองและอันนี้เนียจริงๆมันสั่งสมมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติแล้วเพราะว่ามันสั่งสมความเป็นคู่การมีลูกหลานสั่งสมมามากวันถ้าใครเนี่ยไ ม, ไม่ไม่พยายามไถถอนไอ้สัญญาเก่าความทรงจาเก่าๆที่มันสั่งสมตัวนี้ไว้ไปไม่รอดบอกได้เลยคนนั้นยากที่จะครองตัวเป็นโสดยังไม่ต้องพูดถึงแบบมาบวชหรอก พายคลองตัวเป็นโสดนี่ยากแสนยากเลยเพราะอะไรรู้ไหมพอเวลาดึกว่าตัวเองเป็นโสดนี่ยนะโอ้มันเหงา <c oughs> เหงาแนละ้วมันเดี๋ยวอีกหน่อยก็นั่งคอตกอยู่คนเดียวโอ้ไม่มีใครคอยมาปลอบใจไม่มีใครคอยมาเอาใจบ้างมันจะกลัวตัวพวกนี้เอแล้วมันจะรู้สึกเบื่อเซ็งดูที่ไม่มีใครมาหยอกเยา้า ไม่มีใครมาแย่ว่ายั่อะไรอะไรบ้างเลยมันชีวิตไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวเปล่าเปลียวหัวใจอยู่ทําไม <c oughs> มันจะตะกี้ไปเรื่อยเออนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าล้างไอ้พวกอุปท า, านพวกนี้ไม่ออกยากจริงๆต่อให้มาอยู่วัดก็เถอะต่อให้มาฟังฟังเทศฟังธรรมก็เถอะตอนฟังเทศก็บ่าดีดีดีดีดด <c oughs> โอเข้าใจเข้าใจแล้วพออยู่ไปอยู่ไปก็เอาละเดี๋ยว ยิ่งโดยเฉพาะเวลาเขาเรียกว่าอะไรอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนั่นเนี่ยอยู่กับมิตรระวังวาจาจะเอาเอาแค่อยู่คนเดียวก่อนอยู่คนเดียวระวังความคิดเพราะว่ามันจะแบบตอนที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะคิดโดยเฉพาะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องเอาอื่นเอาเรื่องเฮ้ยอนาคตเราแหมจะเดินบ น, นเส้นทางสายนี้คนเดียวได้ออยังไง มันไม่มีเพื่อนเลยแล้วเพื่อนใจอ่ะนะเนี่ยมันมันจะอย่างเงี้ยของเก่ามันจะขึ้นมาอยู่ด้วยแล้วที่อันตรายที่สุดก็คือเราดูหนังดูละครหรือว่าเนี่ยดูหนังสือนอวณิยายดูอะไรต่างๆคือส่วนใหญ่เนี่ยโลกโลกีทั่วทั่วไปคือความเป็นคู่ <c oughs> ทั่วทั่วไปเนี่ยคือความเป็นคู่ มีแต่ธรรมะ ม, มานิทานะที่จะเป็นเดียวจะไม่เป็นคู่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงต้องมีหนึ่งเดียวเราไม่มีวันมีสองไม่ใช่หนึ่งเดียวแค่แค่ตําแหน่งพุทธเจ้านะแต่ยังเป็นหนึ่งเดียวของกับทั้งกับเลยไม่รู้เ่าจะกี่ร้อยปีหรือกี่พันปีจะมีพระเจ้าแค่องค์เดียวเพราะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นหนึ่งเลย ยังไม่ใช่เป็นสองสัจจะเนี่ยถึงได้บอกว่าสัจจะมีหนึ่งเดียวถ้าเป็นสัจจะแทๆ้ๆมีหนึ่งเดียวไม่ไม่เป็นสองเพรา ะ, ะลักษณะเป็นสองเนี่ยที่เป็นคู่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สัจจะมไม่ใช่ความเป็นจริงแต่คนเราเนี่ยมันมันติดมามันโดนหลอกมาจนกระทั่งมันคิดว่าต้องเป็นสองคือต้องเป็นคู่เพราะฉะนันคนเราถึงพยายามหาคู่อยู่เลย แต่ตอนี้พอพยายามหาคู่เนี่ยนะเมื่อไม่อิ่มไม่พอมันถึงคู่เดียวไม่พอมันเลยกลายเป็นหลายคู่นะครบชูสู่ชายหรือสู่หญิงอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปเป็นลักษณะนั้นวันอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจได้นะอยากจะให้พ้นมิติที่สองนี้ได้ต้องพยายามแก้แก้แม้แต่ไอ้สภาพที่เรายังไปติดความอบอุ่นบ่โอ้นี่พ่อนะนี่แม่นะนี่ลูกนะพยายามล้างตรงนี้ ถ้าคุณไม่ล้างตรงนี้นะไอไอพบอันนี้ไอความรู้สึกอันนี้มันจะติดคุณไปเรื่อยแล้วคุณจะกลัวกลัวต่อการที่เดี๋ยวไม่มีพ่อเดี๋ยวไม่มีแม่เดี๋ยวไม่มีลูกนะเอมันจะกลัวสภาพนี้วันคนที่มาปวดเนี่ยผู้เจ้าถึงได้บอกว่ายาติปริวัตตังประหายะหมายถึงว่าให้ประหารซะนะคือให้ตัดใจซะนะ ตัดใจหมายถึงว่าให้ใจเราเนี่ยคิดเลยนะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่มีพ่อแล้วนะเราไม่มีแม่แล้วนะเราไม่มีลูกเราไม่มเีเครื่องผูกพันใดๆแล้วนะที่จะมาเกาะเกี่ยวมาเหนียวล้างเราเอาไว้อีกต้องตัดเลยมันถ้าใครเนี่ยไม่สามารถล้างอุปทานนี้ได้โอ้อั line, นตรายในที่สุดจะมันจะต้องไปหาสิ่งนั้นมันพยายามนะอันนี้เป็นมิติที่สอง ส่วนมิติที่สามมเริ่มขึ้นมาแล้วญาตินิยมหรือโคดนิยมเนี่ยโคตระเนี่ยโคดนิยมอันนี้เริ่มกว้างขึ้นนะความเป็นญาติคนที่ใจกว้างขึ้นเนี่ยจะไม่หอบหวงเอาไว้เฉพาะคนที่เรารักคนที่เราสนิทเท่านั้นแต่จะเริ่มกว้างออกไปสู่แม้ว่าเอา ก็ไม่ได้สนิทกันนักหรอกแต่ถือว่าเป็นเชื้อสายอีกเหมือนกันเอเป็นวงวานว่า น, านเครือต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าเริ่ ม, เ ร, มเริ่มที่จะกว้างขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในโคตรของเราโคตรอย่างเช่นนี่โคตรอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้โโอ้โคตรพลังบุญเลยแล้วแม่กูอย่าไปพูดตรงพลังบุญอย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเขาคิว่าไปบ้าเขา จะมาหมายถึงว่านามสกุลน่ะนามสกุลอะไรนะอันเนี้ยเป็นโคตรเป็นสกุลมันยังยังเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าถ้าใครมีนะใครมีลักษณะนี้คือลักษณะเขาเรียกว่าตันีตระกูลหรือว่าหัวงสกุลจะมีลักษณะนี้เออถ้าใครมีความลักษณะตนีตระกูลหรือหวงตะกุลเนี่ยคือว่าทําอะไรเนี่ยก็เอาแต่ตระกูลเราเท่านั้นนะตระกูลอื่นนี่ อย่ามาแยมออย่ามาแบ่งปันผลประโยชน์หรือว่าอย่ามาอะไรอะยุ่งเกี่ยวออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบแบบโคดนิยมหรือคราวนี้อาจารมาจะพูดโคดแบบใหญ่ๆหญ่เลยนะจะพูดว่าเป็นโคดของอโศกอานี่นี่โคดของอโศกนะอเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ยังจะมีแบบเป็น ต้องเชื้อสายนี้ต้องเชื้อสายนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อเชื้อสายแบบนี้อ่าเรายังไม่ยอมเราไม่ให้อันนี้พูดในลักษณะว่าเรายังมีกิเลสตัวหอบตัวห่วงอยู่นะทั้งทั้งที่จริงๆอันนี้เป็นมิติที่สามแล้วจริงๆใจเรากว้างขึ้นแต่ก็ยังยึดแบบวงวานว่านคือเอาไว้ยังไม่ยอมที่จะให้หลุดออกจากอันนี้อ่าถ้าเป็นญาติธรรมอโศกแล้วก็ มาซื้อบังแก้วนี่ลดให้ห้าบาทแล้วถ้าเป็นคนอื่นมาซื้อต้องราคาเต็มสิบบาทอย่างเงี้ยคือคือว่ามันมันให้เฉพาะเฉพาะวงวานบ้านเกลือเออจะยังไม่กว้างเกิน อ, อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นโคดนิยมคืออย่างนิยมแบบว่ามีขีดจำกัดเอาไว้ว่าต้องขนาดนี้นะขนาดนี้นะเลยจากนี้ออกไปยังไม่ได้เอออ่ะส่วนมิติที่สี่คนนี้ กว้างคืออีกแล้วจิตใจเริ่มเริ่มไม่แคบเหมือนเดิมเริ่มที่จะเปิดได้มากขึ้นเป็นสังคมนิยมเนี่ยหรือสหายนิยมคราวนี้ไม่ใช่แค่ญาติแต่เริ่มเป็นบิสหายต่างๆคราวนี้กว้างคืออีกเยอะเลยเพราะว่าอะไรไม่ใช่เป็นแบบสายโลหิตหรือว่าเป็นอะไรอะเชื้อสายละคราวนี้คนละตระกูลแล้วนะคนละตระกูลคนละสะกุลไม่มีปัญหา ถือว่าเป็นมิตรสหายด้วยกันได้นะหรือเราเรียกว่าเป็นสังคมแต่ก็ยังถ้าเป็นสังคมอาโศ ก, กอา่าแค่สังคมอาโศกนะ เ, เดี๋ยววันนี้จะเปิดลงบุญแจกเฉพาะคนอโศกใครอยู่นอกอโศกห้ามหรือว่าอย่าเพิ่งมากินยังไม่ให้กินอดนั่นแหละอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ายังแค่สังคม คือจะเป็นหมู่กลุ่มหรือว่าเป็นหมู่คนกลุ่มหนึ่งยังจะเป็นลักษณะนั้นนะแ ต, แต่กว้างขึ้นแล้วใจดีขึ้นนะจิตใจนี่อะไรอะความที่เราจะเอื้ออาทรต่อคนอื่นเนี่ยเริ่มเป็นรอบที่อะไรอะกว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิม อ, อันนี้เป็นที่4นะรวมรวมหมด ทั้งเพื่อนของเพื่อนก็ตามแต่แต่ว่ายังอาจจะต้องยังไงอ่ะต้องเป็นหมูเป็นพวกของเราอยู่นะเป็นพักเอออย่างเงี้ยต้องพักชาติไทยนะต้องพักชาติพัฒนานะต้องพักประชาธิปัต t นะต้องพักอะไรไทยลักไทยนะคนละพักยอย่าแบ่งก็ไม่ได้ช่วยก็ไม่ได้คนละพักอะไรอย่างเงี้ อ่าพอมาข้อที่ห้าคราวนี้ชาตินิยมหรือรัฐนิยมเอออาตอมาว่าพอท่านใช้ดีนะนะชาตินิยมอันนี้ใหญ่นะชาตินี่สมมุติว่าถ้าเป็นประเทศนี่ก็คือประเทศทั้งประเทศเลยสมมุติประเทศไทยอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นรัฐรัฐเนี่ยรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะก็หมายถึงเนี่ยประเทศทั้งประเทศนะทั้งพื้นดินก็กว้างขึ้น ทั้งจานวนคนก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นคราวนี้การที่เราจะช่วยใครเนี่ยโอ้โหอะไรอะไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ตระกูลเดียวกันคนละตระกูลนะไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในเมืองไทยโอ้โหพร้อมเลย โดยทั่วๆไปเนี่ยจะเสียสละกันในลักษณะแบบชาตินิยมเนี่ยจะมีอยู่แต่ว่าแบบโลกโลกนะยังไม่ใช่ชาตินิยมแบบแบบโลกุตระไม่ใช่ชาตินิยมแบบโลกุตระยังเป็นชาตินิยมแบบโลกียะหรือแบบโลกโลกเพราะนั้นถ้าเวลาที่อะไรอะ่ะอย่างท่าน เบืองฟ้าเนี่ยท่านชอบเอาเรื่องนี้มาเล่ามากเลยตรมาก็ฟังมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแต่ตระมาก็ไม่ค่อยจะจำนะแล้วก็ฟังมาบ่อยเลยที่ท่านบอกว่าอะไรนะมีพ ม, ม่ามีดิปุนมีไทยฝรั่งใช่ไหมหรือจะสี่ชาติหรือไงยันะฝรั่งไม่รลู้ชาติไหนอเมริกาแล้วกันเอาเดี๋ยวที่ขึ้นเครื่องบินไปอะเสร็จแล้วก็เครื่องบินมันมีปัญหาหรือไงใช่ม เสร็จแล้วก็เลยมาฝรั่งก็เลยเพื่ออะไรอ่ะอเมริกาสมมตินะมันก็จําไม่ค่อยเก่งอะ่ะเพื่ออเมริกายอมเสียสละแม่เพื่อชาติอเมริกาเอาเลยยอมเสียสละโดดออกจากเครื่องบินเอสมมุติว่าน้ําหนักมันจะเกินก็นแล้วกันนะอนาจจะมาก็ไม่รู้นะ่าเหตุอะไรอ่ะ เ, เสร็จแล้วมันจะลอดได้คนเดียวอะ่ะไอ้เครื่องบินลำเนี้ยสงสัยว่ามัน มีปัญหาแล้วก็น้ำหนักมันเกินแล้วเสร็จแล้วก็เลยคราวนี้ก็ถึงอะไรญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นก็เสียสละเอาก็เพื่อประเทศ เ, เพื่อพระจักรพรรดิก็โดดออกจากเครื่องบินเสร็จคราวนี้ก็ถึงไทยปรไทยก็เอาเพื่อประเทศไทยเพื่อพระพาเลสสรนอะไรถีบพมา่าออกจากเครื่องบินโอ้ท่านก็เล่ามาตลกตลกะนะมาฟังแล้วก็เออ คือเล่าแบบเน็บเนบเล่าแบบเนะ็บเนบะว่าว่าจริงๆไอความชาตินิยมอะ่ะแต่ว่ามันแบบเจ็บเจ็บคันๆนะอันนี้เล่าแบบมุมกับกลับมันเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่ง mm hmm. เข้าใจไหมอมันเป็นรักชาติตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ยชาตินิยมทั่วๆทั่วๆไปจะมีอันนี้อยู่แล้วก็ฆ่าแกงกันมากเลยเพราะฉะนั้น นี่พูดแบบโรกีนะเขาฆ่าแกงกันเพื่อรักษาประเทศชาติของตัวเองแต่ไม่คํานึงถึงประเทศชาติคนอื่นเขานี่ยังไม่ชาตินิยมแท้ถ้าชาตินิยมของออที่ถูกทางที่ถูกต้องจริงแล้วเนี่ยเมื่อเรารักชาติของเราใช่ไหมเราจะต้องมีกระดีกระใจที่ต้องรู้ด้วยว่าคนอื่นเขาก็ต้องรักชาติของเขาเพราะถ้าเป็นแบบโลกุตอลานเนี่ยจะไม่มาทะเลาะกันจะไม่ว่าเข็นฆ่ากันเพื่อที่อย่างเช่น เราต้องเอาชนะเขาให้ได้อหรือว่าต้อ ง, องไปยึดคลองแผ่นดินเขาเอามาเป็นเมืองขึ้นหรืออะไรจะต้องไม่มีถ้าเป็นแบบโลกุตละจะไม่ทำลักษณะ น, นั้นที่จะต้องไปเข็นฆ่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจกักรพรรดิโดยธรรมเนี่ยที่จะแหมาสามารถไปคองชาติอื่นๆได้ถึงได้ไม่ต้องไปลบลาฆ่าฟันเลยถ้าเป็นจกักรพรรดิโดยธรรมปรากฏว่าประเทศอื่นข้างเคียงนี่ โอ้โหจะเคารพจะศรัทธาจะมายอมให้เองตามธรรมโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงไม่ต้องไปฆ่าแกงอะไรกันเลยอันนี้ถึงจะเป็นแบบโลกรุตระขึ้นมาได้ผู้เจ้าถึงจะยกย่องสรรเสริญจั ก, กรพรรดิแบบนี้ส่วนจักรพรรดิที่เขายกกันอยู่ทุกวันเนี้ยที่บางทีเขายกยกกันเนี่ยแม้เก่งแบบอะไรนะเกงคิสกานหรืออะไรพวกเนี้ยเก่งแบบโอ้โหสามารถตีจากอะไรอะ่ะจากจีนนี่ตีจนไปถึงอะไรยุโรป ใช่ไหมใช่ป่ ะ, ะตีจนไปถึงยุโรปหรืออย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตีจากไหนจากกรีกจากอะไรพวกนั้นนะมาจนถึงจีนอถึงอินเดียอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เก่งแบบนี้เก่งแบบนี้ที่มันโอโ้โหลบราคาฟันมันเอาชนะใครต่อใครเขาละล้านคนอื่นก็ เ, เบียดเบียนคนอื่นเขามาทั่วเลยแล้วก็เลยมาชนะชาตินั้นมาชนะชาตินี้ไอ้อย่างเงี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ชาติยมแบบโดกุตันละ